รู้จักตัวเองก็รเอะพวกเราการที่จะมาลู้มาเห็นตัวเองยือต้องมีสติเป็นดวงตาภายในให้ดูให้เห็นอย่าเป็นเวลามันแสดงออกอะไรมาอย่าเป็นไปกับมัน จริงจะเป็นการดูต่อภายใตคือความรู้สึกตัวมีแล้วอย่าอย่าหลับไว้เดินขึ้นมาให้เห็นอวิธีดูให้เห็นเห็นเห็นกายเห็นกายไม่ใช่ชิดเห็น การเห็นจริงๆมันเป็นการสัมผัสเช่นกู้แฉนเข้าเหยื่อเฉนออกเมืองต้นการศึกษาชีวิตตามพระศิทธธัตถะในกระทมามาจนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาไปในคืนเดียวเกะดู ก็ดูกายก็เห็นอะไรอีกมากนอกจเห็นกายเห็นเป็นลูกแต่ก่อนก็เห็นเป็นกายอะไรก็เป็นตัวเป็นตนได้ง่ายเห็นเป็นกายเนี่ยร้อนคือกูหนาวคือกูหิวคือกูปวดคือกูเจ็บคือกูไม่รู้จักแยกก็มันเห็น ไหวบ่อเห็นไหวบ่อ ย, ย, ยเห็นลึกซึ้งกันไปไม่ใช่กูกายสัว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเหล่าเขมมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติของกายมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่กับมันได้นี่เถอ ใช่เหตถูกต้องจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าใช่ผิดก็เป็นโทษอันเรื่องของกายเนี่ยการใช่เป็นก็คือเห็นอย่าเป็นมันสุขอย่าเป็นสุขมันทุกข์อย่าเป็นทุกข์มันรอดอย่าเป็นผู้รอดมันปวดอย่าเป็นผู้ปวดมันเหวอย่าเป็นผู้เหวี่ยเียววิดูให้เป็นทำให้มันเป็นถ้าเป็นแต่กบมันก็เป็น ก็เป็นพราะเป็นชาติสุข ก, ก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ปวดก็เป็นปวดเหววก็เป็นเหวี่ยวนก็ไปไม่ถึงไหนที่ว่าถูกเป็นยึดไว้ถูกก่ายยึดไปก า, ายก็ใช่สุขกายใช่ให้ทุกข์ก า, ายแช่ให อะไรต่างๆมากมายเสียเวลาไปกับกายรับใช้กายยิ่งถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาระมากตาละหาเวเปันจักขันธาหนักเข้าไปขันธ์หนังห้าเป็นของหนักเน้อเราจะมาเห็นเนี่ย เห็นก า, ายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลาเขานั่นไปแล้วหลุดไปแล้วผ่านไปแล้วถ้าเห็นถ้าเป็นไม่ผ่านเห็นมันจงผ่านจะเป็นทางไปเพราะมันเห็นก็เป็นทางถ้าเป็นไม่เป็นทางโลกหลงลังแล้วสุขก็ลกทุกข์ก็โลกลกไม่ผ่านอ่า ในองค์มรรคเนี่ยเป็นในทางเนี่มรรคคือทางมรรคือหนทางอันเส้นเดียวที่จะผ่านได้ไมีทางเส่นเดียวผ่านผ่านสุขผ่านทุกข์านความโลภความโกรธความหลงผ่านเกิดเจเจ็บตายคือเห็นให้ก้าวออกจากที่ ถ้าเป็นแม่ก้าจะก้าเลยจนเห็นเป็นรูปเห็นกายเห็นเป็นรูปไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นรูปทราที่มันทําดีมันทําชั่วนั่งอยู่นี่เป็นรูปมันรู้เลยได้เป็นนามเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นด้านที่ของธรรมชาติของรูป ย่อมมาเป็นตัวเป็นตนจึงเห็นรูปเห็นนามไม่เห็นกายก็เห็นเห็นนามเห็นรูปเห็นนามถ้าเห็นเป็นกายมันจนง่าสุขก็สุขไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยถ้าเห็นเป็นรูปไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอาการเท่านั้นเองให้มารู้จักตัวเราจบทุกข์เป็นอาการความร้อนความหนาวเป็นอาการความ หิวเนาการไม่ใช่ตัวใช่ตอตนเราก็ถูกอยู่นะในวงวนนี้บางท่านที่ไม่ไม่มีจริงเคยสุกอยู่ที่ไหนสุกเคยทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์มันก็ไม่มีจริงเคยพอใจเคยไม่พอใจอยู่ที่ไหน มันก็ไม่มีจริงมันเป็นอากัรปุกะมันจ ร, ม า, รามาทำให้เราหลงมาทำให้เราหลงหลงสุขหลงทุกข์หลงผิดหลงถูกหลงยากหลงง่ายหลงพอใจหลงไม่พอใจมันก็ไปไม่ถึงไหนพอมาเห็นมันก็ผ่านเห็นรูปว่าฉลาดรูปเหมือนบอก มันจะบอกว่านี่คือลูกไม่ใช่ตัวใช่ตนที่มันลูและได้เป็นนามธรรมมันก็เอาลูกมันนามให้ทำเกิดทุกเกิดโทษเกดที่รูปที่นามให้ทำเราจะใช้ให้มันทำ ม, มันก็ทำดีทำดีคือใช้ให้ลูกมันทำดี ทำชั่วใช่น้ำมันทำชั่วแบบนีนะ้มีความดีความชั่วเราไม่ได้เป็นใหญ่นั้นมีอะไรที่สั่งไปมันความหลงความหลงใช่รูปความหลงแค่น้ำไม่ใช่สติความหลงเป็นเจ้าของ กายก็เลยเถื่อนประสุขเป็นทุกข์ใจก็เลยเถื่อนประป ส, ส, สุขเทุกข์สมศรสุก็มีทุกข์ก็มีที่เกิดกับกายกับใจมันสมสอนเรียกว่าขวามหลงมันใช่ผิดถ้ามีสติเป็นเจ้าของมันก็ใช่ถูกต้อง มีสติเป็นเจ้าของก็ใช่ถูกตัวมันหลงก็รลูกเจ้าของพัวมันสุกก็บลูกเป็นเจ้าของไม่ปล่อยให้สุกไม่ปล่อยให้ทุกมีเจ้าของเหมือนพ่อแม่ไม่ปล่อยให้ลูกลมบากเป็นอุปการะดูแลอยู่จิตที่รูปนามีมเจ้าของ ก็ไม่ปล่อยให้ลูกเป็นสุขเป็นทุกข์ให้เห็นง่ายๆการเป็นมันมันยากการเห็นมันง่ายถ้าสุขเห็นสุขถ้าทุกข์เห็นทุกข์มันมน้อยมันจบก้ทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นทุกข์หลงเป็นหลงไม่จบถ้าเห็นมันจบมันจบไปมันจบไปการ มันหลงเห็นมันจบไปแล้วผ่านไปแล้วนันรู้เห็นมันผิดเห็นมันผิดถูกเห็นผ่านไปแล้วเป็นมากแล้วเข้าไปแล้วเอาหลงไว้หลังเอาสุขกทุกข์ไว้หลังเล่ยไปอะไรก็ตอบคำเดียวเห็นไม่เป็นสัแต่ว่ากายสัจตะว่าเวทนาสัแต่ว่าจิตสัแตะว่าธรรม ผ่านไปแล้วไกลออกไปเมื่อไม่เปืมนไม่เพื่อนความสุกความทุกข์เห็นมันสศกมันทุกข์เห็นมันหลงเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอกกายกับใจแปดหมานสี่พันอย่างเห็นทุกอย่างความง่วงเหงาห้อนอนก็เห็นความคิดคงามซ่านก็เห็นความหลังเลสงสัยก็เห็น อิบาด ท, ที่มันเกิดขึ้นก็เห็นการมลาค่าเกิดขึ้นก็เห็นนั้นมีนั้นเป็นคลื่นเหมือนนา้ามีลมพัดก็เป็นคลื่นอาการต่างๆเรียกว่าอารมณ์ความโกรธเป็นอารมณ์เหมือนน้ําที่มีลมพัดน้ําน้ําก็ยกขึ้นขึ้นมาอันคลื่นไม่ใช่น้ํา อารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่น้ำนั้นเป็นอาการตาเห็นก็มีอาการเหมือนกับรถยนต์เหมือนกับน้ําไม้ชะรถยนต์ก็เห็นลงไปน้ําในชะก็กิดเพื่อมแล้วแต่สิ่งที่โยนลงไปหนักเบ า, าก็น้ําำันเพื่มก็ไม่ใช่น้ํา ก็มันมีอย่างนั้นมีรูปมีน้ำก็เป็นอย่างนั้นโยงกัก็เจ็บนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยไม่มีอะไรที่มันสัมผัสมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นรูปเป็นนามไอ้เช่ก้อนดิดก้อนหินในรูปทํานามทํามันเป็นอย่างนี้การกับเพื่อนที่เป็นศุกรเป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอาการอย่าอย่าไปตู่เอาว่าเป็นเราเราสุขเราทุกข์เราเจ็บเราปวดเราล้นเราหนาวเราหิวเราแค่เราชนะเราผิดเราถูกปฏิบัติไปวังทีมันหลงก็อย่าเรียกว่ามันผิดมันเป็นอาการอย่าให้ผิดเป็นผิดให้ผิดเป็นรู้ มันถูกก็อยาให้เป็นผู้ถูกให้ถูกเป็นรู้ไม่ต้องไปเป็นอะไรกับออนลายเจ่าคนเดินทางคนเดินทางต้องหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะที่เดินห้าสิบกมร้อยกมสามรอยกมสี่ร้อยกมยก ม, มันก็ต้องเหมียาการปวดเมื่อยบางทีจะ เท้าบวมต้นขาแตกบวดเนื้อปวดตายเมื่อยล้าของคนทางต้องเป็นอย่างนั้นคนไม่เดินทางก็ไม่เป็นแต่มันไม่ไปถึงไหนคนที่เปลี่ยนเดินทางที่บง ม, ม้าก็ผ่านความถูกความถูกก็มีรสชาติผ่านความผิดก็มีรสชาติ ผ่านโสดก็มีรสชาติผ่านทุกก็มีรสชาติรสชาติโสดทุกขมันเป็นรสของโลกเป็นรสของโลกพอใจเป็นรสของโลกไม่พอใจเป็นรสชาติของโลกมาเห็นโลกอันนี้ให้เหมือนอย่างให้มัเห็นอย่างแฉมแจ้งท่าพุทธเจ้าว่ารู้โลกอย่างแฉมแจ้งรู้แล้ว สุข ก, ก็รู้แล้วทุ ก, ก็รู้แล้วผ่านมามากแล้วสุกทุกผิดทุกผ่านมามากแล้วเก่ก็ขึ้นแล้วไม่เปาะบางถ้าสุขเป็นสุขเหมอนอ่อนแอทุกเป็นทุกอ่อนแอผิดเป็นผิดก็อ่อนแอ มันยอดไม้มันอ่อนมันก็ไม่ออกดอกออกผลออกลูกได้ดูก็รู้ถ้าตกแล้วดูโรนโดนไม่ออกยอดแสดงว่าไม่มีลูกเราไปนี่เสียเวลาไปแล้วฉันเราเมื่อเราปลูกมะม่วงถ้าตกตือนกกรลากรุ่งพา ยอดมะม่วงตู้ๆไม่มียยอดนั่นอ่ะออกดอกแท้ก็ตกฤ ด, ดูมกลากมพามะม่วงออกยอดปิใบออกมายอดอ่อนไม่มีทางจะเกิดลูกได้ไม่เจกก็ชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ามันอ่อนแอมันก็ไม่เจกก็ให้สมาธิเกิดดอกออกผล สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เป็นเป็นความอ่อนแอถ้ามันเห็นสุขไม่เป็นสุขเห็นทุกข์ไ่เป็นทุกข์เจ๊งข้าขึ้นเมื่อเจ๊งข้าขึ้นก็ไม่เปื้นเปื้อนกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาสุขเป็นปัญญาทุกข์เป็นปัญญาตายก็เลยได้ปัญญาปัญญาเป็นผล ปัญญา น, น้อยเกิดเป็นศีลเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาศีลก็กำจัดกิเลสยังจับจับได้ปกติได้ตาเห็นรูปปกติหูได้ยินเสียงปกติจมูกได้กลิ่นเล้นไหลลดปกติไม่หวั่นไหวนี่คือศีลไม่ใช่สมาทา น, น, นศีลศิกษาศีลถลุงศีลละกิเลส จินละเครื่องส้มงองว่าใช่ไปขอไม่ใช่ปไชปพิธีกรรมเป็นตอนปฏิบัติในศาสนามีศาสน า, า, า, า, าพิธีศาสนธรรมศาสนาพิธีมีแต่พิธีกรรมเป็นพระหิตาธรรมธรรมภายนอกมีแต่ภายนอก บวชเป็นผ้าเหลืองถือบวชเป็นผ้าขาวภายนอกอัจฉริธรรมเป็นภายในเวน้นภายในคือเห็นไม่เป็นเนี่บวชแล้วสุขไม่เป็นทุกข์ไปแล้วทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไปแล้วดำริออกไปแล้วออกไปแล้วเรียกเนคขมมะดำริออกไปเห็นแล้วไม่เป็นนี่ยไปแล้วเรียกว่าเนคขมมะถือบวชเป็นอุบาย ภายในใครก็เป็นได้เป็นขั้วทำดีได้ทุกคนมันหลงไม่หลงก็ทำได้ไม่ต้องมีรูปแบบนอกรูปแบบจะเป็นเพศใดลัทธิใดไว้ไหนอันเดียวกันนั้นเป็นอันเดียวกันหลงก็เกอนเดียวกันโกรธเกินเดียวกันโศกทุกข์อันเดียวกันแต่บางคนเป็นหลง แต่บางคนคงหลงของเขาไม่ใช่เป็นความหลงของเราเราเป็นความูกของเราคนเราความหลงเป็นความหลงเอาควาสุขเอความทุกข์เป็นของตัวเองแต่เราไม่เอาสุขเอทุกข์ที่เขาเป็นนั้นมาเป็นเราเป็นตัวของเราเองเราก็เห็นทางนี้เราล่วงพ้นภาวะเก่ามาดูตัวเองอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมมีสิทธิเท่าเทียมกัน อย่าไปมีปมโน้ยต้านเป็นนักบวชเราเป็นฆราวาสไม่ต้องชิดแบบนั้นต้านขาดีฉันขามันขาดไม่ชิดพิเศษแบบนั้นมันเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันั่นเป็นชายได้เป็นหญิงได้เป็นคนหนมเราเป็นคนแย่อย่าไปเอาแบบนั้นมาต่อรองสศทษฐีของเราเวลาหลงเราไม่หลงได้มีสศทษฐีเรื่องนี้ เรามาโกรธเราไม่โกรธได้เรามีสธิเรื่องนี้ใช้สธิของเรารู้เห็นอย่างนี้นั้นเป็นสากลเราจะบอกอย่างนี้เราจะพูดให้ฟังนั้นเป็นจริงอย่างนี้มันหลงไม่หลงก็ได้มันถูกไม่ัมนทุกไม่ทุกก็ได้มันโกรธไม่โกรธก็ได้ให้เห็นอย่างนี้ไป ไปซะพุนะ่นไปซะอย่าเป็นเนี่ยขนส่งตัวเองเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นอาการณ์ของรูปของนามตามความเป็นจริงเห็นรูปมันทำนามมันทำมันทําดีมันทําชั่วตามความเป็นจริงของการกระทํากรรมการกระทําเป็นของจําแนกสัตว์ตามดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วถ้าหลงก็ได้ความหลงถ้าลูกก็ได้ความลูก แล้วสุขก็ได้ความสุขทุกข์ก็ได้ความทุกข์เาเห็นมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวพ้นไปแล้วดังพูดเมื่วานนี่มรรคของสุดท้ยคือเห็นละสุขละทุกข์เสียได้จิตผุดขึ้นจิตเป็นเอกมีสติและละอยู่นั่นที่สุดมันเป็นอย่างนั้น เจ้านิพพานที่ตรงนี้ไม่มีสัญญาเวทนาก็ไม่มีสัญญาไม่มีเวทยิทธินิโรธภาษาว่าอย่างนั้นคือไม่เป็นนี่แหละคือเวทยิทธิจิตที่มันไม่เป็นอะไรนี่แหละเวทยิทธินิโรดนิโรดคือความบทพดทนเป็นที่ถูกแห่งทุกแห่งวกแห่งชาติชิ้นทุก สิ้นภพสิ้นชาติไม่เป็นเนี่ยมันสิ้นภบสิ้นชาติชาติสิ้นแล้วพรห ม, มจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วเนี่ยนั้นเป็นทางไปการปฏิบัติธรรมการมาดูตัวเราได้บทเรียนจากตัวเราเป็นพระสูตรพระสูตรคือกายคือใจตรานี้ เราได้ระเบียบแบบแผนจากกายจากใจนี่เรียกว่าวิันเราได้ความเพียงความเท็จจากกายจากใจเรานี้เรียกว่าอภิธรรมประมัติถัดสภาวธรรมจิตเกตสิกรูปนิพานนี่เป็นประมัติมีจิตไหม มีรูปไหมจิตมันเจตชิกเจตชิกของจิตคืออะไรหมนคล้องมันอยู่เฉยมันก็ไม่ดังเราเอาค้ อ, อไปตีมันจะดังไหมทำไมเพื่อนเอา้อตีคล้องมันจะดังบ้างมันเปลียงค่อยดังไม่เป็นค่อยดัง อะไที่ปล่ยความดังในว่พอเอาก้อนไปตีอ่ากิดกอเจตสิกคือมันคิดเป็นมันสุขมันทุกข์เป็นว่าเจตสิกกายมันรอดมันหนาวเป็นลบกายเขาเรียกว่าอากาศเจตสิกิดเจตสิกรูป จตเจตลูปนิพพานปัลลัมัตทสภาวะธรรมเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนเสียงดังของคลองไม่ใช่คลองเป็นอาการที่มันดังเกิดขึ้นกนที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอาการไม่ใช่จิตมันดังไม่ใช่คลองเป็นอาการมันมีจริงไหมความดังอ่ะมันจบเป็นไหม มันหายเหมือนเช่าได้ยินไปทีสี่ได้ยินจากข้อมาได้ยินไหมหลองตามไม่ได้ยินเลยหัวหนว่าเดี๋ยวนี้มันดังไหมเสียงข้องดังไหมันเสียงใครประดังอ่ะบอกตีอันคิดเมื่อไม่คิดเมื่อไม่ใช่มันก็ไม่มีอะไร มันจะสุขต่ทุกข์เพราะมันมีอาการไปเคาะไปตีมันสมมติอยู่ตรงนั้นเมื่อตาเห็นรลปสมมุติว่าชอบเอาดังขึ้นแล้วตาเห็นรลปสมมุติว่าไม่ชอบดังขึ้นแล้วมันก็หายไปอันพวามชอบความไม่ชอบมันหายไปไม่ใช่ตัวใช่ตนเราดูว่าเราชอบปัญญะสมมุติปัญญิว่าชอบสมมุติปัญญิว่าไม่ชอบ เมื่อสมมติบัญญาติบ้าชอบว่าไม่ชอบอุปทานไปยืดเต้า <c oughs> อุปทานไปยืดเต้าลาบ้าเราถามตามความชอบถ้าความรักเกิดขึ้นก็ถาต า, ามความรักถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็ทาต า, ามความโกรธเสียผู้เสียคนมามากเช่นนางมอลาลักโจร จันทกุบสามีของตัวเองไม่ละพอเห็นโจรสูงขาวกัวจันทกุลบจันทกุลบสู้กับโจรจนเหลือแต่หัวหน้าโจร น, นอกนั่นพ่ายแพ้ไปหมดแล้วมาสู้กับหัวหน้าโจรโจรก็ล้มลงจันทกรลบเบียบไว้ขอดาบจากดางโมลา จนสมัยก่อนเขาเขาทำสงขามกันเขาเขาเอาดาบเอามีดออกทำเต่ตัวพัาโจรล่องหล ง, ลงจันทกุลบขอดาบเห็นว่าเป็นหัวหน้าโจรจะมาฝันคอโจรแล้วมันขาดขอดาบกับนางโมลานางโมลายเห็นโจรสวยกวัวจันทกุลบสสงขาวเกิดลักโจรขึ้นมา เท้าเดียวนั่นน่ะตัดชิ้นใจเลยยื่นดาพ่้โจรเลยโจรก็ฝันจะกลตตายไปเลยทำไมจึงรักโจรทำไมมารักสามีของโจรเพราะอะไรมันดังขึ้นมาเกิดความรักทั้งว่าเราต่อจันทร์โคตตายไปโมลาก็ขอเป็นเมียของโจรโจรมก็ด่าอวยชาติชั่ว ตั้งแต่ผัวมึงจะฆ่าได้กูจะเอามึงเป็นเมียได้ไงให้มึงตายอยู่ในตรงในป่านางบลาก็ตายอยู่ในป่าในี่งจนตายเป็นนางเชนีเท่าทุกวันนี้เคยได้ยินเสียงเชนีร้องไหมสมัยบ้านเราอยู่ไหมโอ้โอ้พอมาล่องโอ้จนตะโกนลุจนตะโกนลุ้ ตาเย็นลงไนปะ่ะเป็นนางชนีร้องไห้ตลอดพราะตลอดชอบเสียใจจะเอาสามี่อคืนก็ไม่ได้แล้วขอขาดเฉแล้วตัดจริงใจทำตามความรักตัดจิงใจทําตามความโกรธเช่นกล่องข้าวน้อยข้าแม่เนี่ยหนีวข้าวจิน้นไม่ว่าเจ้าจิ้นข้าวมาเย็มแม่เอากล่องข้าวเล็กๆมาทรงโกรธแม่ ความหิวเกิดขึ้นอาจจะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษถ้าแม่ตายไปข้าแม่ตายมาจิงเข้าเข้าก็ไม่หมดโฉดจิงข้ามหมดเสียดอยแม่แม่ก็ตายไปเราทุกข์ข้าไปแล้วเอาคืนนาไงไปดูจังหวัดจะโสธนเห็นธาตุ่องเข้าน้อยข้าแม่อะไรเหมือนอะไรเราไปนึกว่าเราสา เสียงข้องมันดังไปแล้วมันก็จบไปแล้วไม่มีแล้สมมติปัญญาตุปทานยึดเอาเมื่อเป็นอุปทานก็ยึดมั่นถือมัน่นทำตามพวามยึดมั่นเถือมั่นเป็นภพเป็นชาติชราชาวนาโศกกระเบเทวทุกข์เป็นภพเป็นชาติหนึ่งตกนรกหลงไปร้อนใจหลงไปเป็นทุกข์ลงไปได้สวรรค์ น, นิดหน่อยเป็นโศกขึ้นมาก็หายไปละ งดไปอีกรมันอยู่ที่ไหนแนะ่สุกทุกข์นะมันไม่มีมันมีแต่มันมีแต่ธรรมชาติเป็นอาการเท่านั้นเองเป็นอาการของโลกของนามให้เห็นอย่างนี้หรือว่าเห็นธรรมเรามาสอนกันแบบนี้มาศึกษาเรื่องนี้ต้องช่วยตัวเองเนี่ยเห็นไหมอารมณ์ในมันเสียงมันล่กวัวผี ไล่กัเสือเสือยังไม่เคยกินขนกัดขนแต่อารมณ์มันลายก็พ่อข้าแม่ข้าโลกข่ากันตายอารมณ์แนอารมณ์ไล่ก่าเสืออาการนว่าอาการทมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยหลักสูตรมันอยู่ตรงนี้ ไดเห็นแล้วก็ไม่เป็นผ่านตรงนี้ไขกุญแจแจโซ่สี่ด่านนี้ให้ได้มันจะไปไปเรียกว่าบวชเรียกว่าเนฆามะไปแล้วพ้นไปแล้วออกไปแล้วขนส่งตัวเองไปแล้วเป็นชาติฐานแล้วเปญาณแล้วปัญญาญาณแล้ว เกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นเจ้าเราจักคุมุทัพปิยะตังอุทปตปิปัญญาอุทัพปิอโลโอุทัพปิเราสวดธรรมจักจักคุมุทัพปิจักขุก ค, ก ค, คือตาภายในเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วจกักขุคือดวงตาตาในมาดูตัวเองนะ จากขงอุทปาตินวงตาเกิดนแล้วเจอเราปัญญาอุทปาติปัญญาเกิดขึ้นแล้วเจอเราเราไม่ง่อล้ววันได้ความความสุขความทุกข์เป็นปัญญาความหลงปัญหาเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหาเป็นปัญหาปัญหาเป็นปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วเจะเรารู้แจ้งแสง อาโลคออ์ขูทปติความรู้แจง้งแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเราเราไม่มืดเราไม่เคยรู้มาก่อนเราเพเห็นมาก่อนท <c oughs> ้าทายปัญจคีในการเทศนาเรื่องธรรมจักปวัตตะโสพูดเรื่องนี้เราก็มาทำกันแล้วเนี่ยจะจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไร เราไม่พูดไอ้ท่านหมากราบว่ายเราเราจะบอกจะเนี่ยพูดแล้วทิ้งเราหนีไปเลยเราไม่ต้องเอาอะไรก็ได้เราจะบอกกันนี่ชีวิตของเกิดมาร่วมโลกคอนหนังหรือว่าบวชในพุทธศาสนาศึกเษาเรื่องนี้โดยทิศเรื่องนี้มาทิ้งลูกทิ้งเมียมาก็คุ้มค่าฮะ ก็เมอ่อไม่เสียเวลานะจนบอกแม่เลยทีเดียวว่าแม่เลี้ยงลูกไม่เสียไม่เสียค่านอมอมลูกอ่าเป็นอย่างนี้หนละเพราะนั้นจึงบอกเรื่องเนี้กระตือรือร้นมากแต่ไม่ยอมแก่นะบอกเรื่องเนี้แต่พูดให้ฟังอย่างเนี้ ทำช่วยอะไรทำไม่ได้เพียงแต่พูดให้ฟังให้ไปทำเอาสอนให้ทำเอาไม่สอนให้ท่านรู้นะใครก็รู้ได้อย่ามาจำเอาอย่ามาศรัทธาอย่ามากราบมาไหวอะไรมาอยู่นี่ก็มาอยู่เลยจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กันไปจะกินข้าวก็ไปกินที่โน่นแต่ไม่มีข้าวกินถามฉันตุ่มเจนนุษ อย่ามาถามหลวงตาแต่แม่คีก็ได้มีไม่ข้าวเยนไหมไม่คีมีไห ม, ม, ไมวันนี้จะมีไมหมถามว่ามีอยู่เหรอหไปคิดอะไรจะ <c oughs> ยืนยังไงจะนอนอยังไงไม่ต้องไปคิดหรอกเมื่อแต่มาทมําให้เราพอใจแล้วที่ที่ให้มีอย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องการอย่างนี้อยากทําอยากให้เป็นอย่างนี้อยากมีที่นั่งแบบนี้ อยากให้คนมานั่งแบบนี้อยากจะพูดแบบนี้นะสุดความสามารถสมปรารถนาของเราเราเราอุตสาห์อยู่ที่มารอคอยท่านทั้งหลายมาเกือบสี่สิบปีแล้วแต่ก่อนเราอยู่คนเดียวเนี้ก็มีผู้มาอยู่ตายก็ไม่เสียดายชีวิตได้บอกเรานะแต่ท่านทุกข์ก็ถือว่าไม่ใช่ความผิดของเรานะ อย่าไปว่าโอ้ยบุญมาช่วยเราศาสนาไม่ช่วยเราพระสงฆ์มาช่วยเร า, อ, รยเราอย่าไปคิดแบบนั้นใครจะช่วยท่านได้ถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองอใครจะเก่งล่ะไม่มีมีแต่เราเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยคิดมาเนี่ยอ่าแล้วเราหลงคนอื่นเขาไม่หลงอ่ะกแล้วเราทุกข์คนอ่นเขาไม่ทุกข์หรอกแล้เราโกรกค น, นเหนื อ, อมันโกรธหรออายนไหมอายความหลงไหม ให้รู้จักอายความหลงว่างหน่าด้านนั่งอยู่นี่มันอยู่เนี่ยยังหลงไปลงคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงคนเกียจชังคิดถึงคนรักไปโน่นอยู่อ้อไม่ใช่ไม่ใช่จิตและเถนั่งอยู่ต้นชีวังโพคิดถึงพิพาเอ้าบ้าเล้นะอามืองคหัวถึงหัวรุนแล้วไหนคิดถึงลูกถึงเมียยังไงคิดหลงไปแต่ก่อนเมื่อเนี่ย ออกมาปุ๊บเห็นไหมพุ่นท <laughs> ลเนี่ยอ่ะอก็อยู่นี่อ่าว่าปุ๊บลูกจาตัว้นมาจงึงกว่าอยู่นี่ทาไงเพราน้องบตาม ว, ว, ว, ว, ว่าวลู้แสงเข้าเย็นฉันน้ออืมแล้มันหลงับมาก็มาลูกขึนมา ออกมาลู่ลึกซึ่งแล้วเรื่องแน่ตัดรูกลิ้มมาประเทศก็ประเทศโปรดปัญจคีรลู่แล้วปางนี่มีไหมสาลาหน้าไปดูปางนี่อันปางนี่เป็นพระทีเจ้าปางนี่สอนคนอื่นยโลดล่ำปางนี่เป็นพระทธเจ้าบางทำอานี่เป็นสำมาสมพุทโธ หรือวแน่นอนหรากการตัดตรูปเขงหนอมีพระธรรมโอชนเป็นไปเพื่อออกเกีทุกบัญญัติเป็นเฉลยก็ห้าคนหรอนะแน่นอนหรอกจโตคนหวนหวนคนจีนมาพูดล้องตโแน่นอนก็อ <laughs> ันจีนนะเขากลับไปบ้านเป็นไงอยู่จุกโตโตอะไกล่ว่าแน่นอ น, อ, น, น, อ, นอะไรก็เนี่ยเไม่รู้หรอก ก็ว่าอย่างนี้ฮะแต่ผู้เจ้าไปดูวราพุทธรู ป, ปางเนี่ยอยู่ที่สลา น, า น, า, า, น, น า, าน้นาบางนี่ชนะมานนัดบางนี่ตัดฉลูรูเฉนเขา้าเหยื่อเฉนอกมีไหมมีเฉือนไหมรูเฉกไหมรูเฉกไหมรูเึกไหมรูเึกไหม ลูม嘛ลูกทุกคนต้องขอใครไหมลูกเนี่ยขอขอมลูกหลงตางเอามาให้ฉันด้วยไม่มีทางมีแต่ตมวเองลูกเังนะไปหลงอยู่ที่ไหนกันเวลามันหลงหลูกขึ้นมามีสติสนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมบอกแล้วนะถ้าท่านทุกไม่ทุกนะถ้าท่านปวดไปกดนะถ้าท่านหลงไม่หลงนะ อย่าทุกข์เพราะความทุมกข์นนอย่าหลงเพรความหลงอย่าโกรธเพราะความโกรธไปยันได้ไหยจนไม่มีไไมเล ย, ยไม่ได้แก่เพราะความแก่ไม่ได้เจ็บเพราะความเก็บไม่ได้ตายเพราะความตายนี่คือชีวิตของเราชีวิตของเราคือไม่เป็นอะไรถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีชีวิตเลยชีวิตไปห้อยไปแก่นึกกับสุขกับทุกข์ไม่ให้ได้ชีวิตต้องเป็นชีวิต นี่คือชีวิตชีวามีชีวิตชีวาไม่มีวันเก่ไม่มีวันเก็บไม่มีวันตายชีวิตแบบนี้ในสธิทุกคนเนะเราจะไปเสียเวลาที่ไหนมาเถอะมาอยู่นี่มาศึกษาแล้วนี่แล้วไปบอกกันอีกเยอะแยะเรามีพี่มีน้องมีพ่อแม่มีปัญญามีสามีมีลูกมีหลานไปบอกเขาเวลาคนผิดอย่าไปเกียดเขาให้สงสารคนที่ผิด สงสารคนหลงเขาหลงเขาจึงทำไม่ดีถ้าสอนให้เขาไม่หลงหน่อยจะดีมากเป็นบุญนะทำบุญแบบนี้พวกเราเราไม่มีเงินไม่ทองไปสร้างโน้นสร้างนี้หลังตากถ้าเหมือนจะสร้างองค์พิบาลที่นี่นี่ไม่มีเงินสร้างอะขอสร้างบุญเลยแล้วถ้าหลงขออย่าหลงถ้าทั้งโกรธไม่ต้องโกรธเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีนี่ เรียกว่า บ, บุญแล้วเปลี่ยนความทุกข์คมทุกข์เป็นบุญแล้วเปลี่ยนความโกรธความไม่โกรธเป็นบุญแล้วนี่ขอทำเนี่ยถ้ามีบุญตรงนี้ก็มีบุญเลื่อยไนะสมสิบหนึ่งกําลังจะได้ลงไปบานแล้วสอสิบล้านแต่ว่ามันตกไปอะไรไปสักใหญ่ แข่งกันสมัยก่อนถ้ามาไฟกับทรัพย์ใหญ่เราได้ได้จริงก่อนทรัพย์ใหญ่ใช้ภูมินะ่ะลำเปร์เจ้าใช้ถ้ามาไปเราเลยไม่ได้มัวอตีทะโลกันอยู่ตาเห็นกองก็ จ, งกกจะเอาบ้านเก่าก็จะเอาถ้าไฟก็จะเอามันแย่งกันอยู่เลยไม่ได้เลยเลยสมน้ำหน้ามันแย่งกันเหมือนย่าสองกองกองหนึงอยู่ทางนี้กองหนึ่งทางนี้ แต่คุยสองตัวผูกติดกันดันกันใช่ไหมผูกคอติดกันตัวหนึ่งจะดันไปกินกองนี่ตัวหนึ่งจะดันไปกินกองนี้ยากกว่าอยู่ดันไม่ถึงดันก็อยู่นะใช่ไหมจะทำไงจึงจะได้กินยาฮะจะทํำไงจึงกินยากองนี้ได้กินยากองนี้ได้แต่คุยสองตัวผูก ติดกันเนี่ยมันดันกันเนี่ยนะไม่มีทางได้เห็นจะทําไงกินญ้าอะไรไอ้ขี้ น, น้อยขี้ น, น้อยจ ะ, จะทําไงควายจะกินญ้าอะไรควายสองตัวนะฮะดันเนื้อเชือกขาดเลยมันไม่ขาดในเชือกเชือก <c oughs> ในร่อนอย่างดีฮะ <c oughs> ถ้าดันมาก <c oughs> จะโมกมันจะขาดก่อนจะทําไง ควายิงีนเนี่ยสองกองนะ่ะวายสองตัวก็ไปด้วยกันปะจิ้กองนีแล้วจิ้องนี่พวาก็มากันมองสังมังคีสังมังคีถ้าดันกันอยู่นะคนทะเลาะกันมาความดันกันอยาให้ความโกรธทะเลาะกันให้ความโกรธโอ้ยต้องเชื่อใจนะ สองคนเดินทางไปชนกันปั๊บล้มลงล้มลงลุกขึ้นมาต่อยกันเลยมึงชูต่อมึงมึงกูมึ ง, มง ก, กูมึงผิดกูถูกมึงผิดกูถูกมึงผิดกูถูกมันไม่ได้หลงไม่ได้ได้ไหมไหคนสองคนเดินไปชนกันชนกันล้มลง ่ำล้อมลุกขึ้นมขอโทษครับขอโทษผมผิดครับผมผไม่ใช่คุณเราถูกผมผิดผมผิดถ้าแย่งกันเป็นคนเผินขอโทษครับเจ็บไหมท่านนิดหน่อยท่านเจ็บมากไหมไ ม, ไ, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไดีด้วยกันเลยถ้ามึงผิดกูถูกกูผิดตีกันเลยควยกองตัวแย่งกันนั่นเนยดูช่วยกันมีไหมทะเลาะกันเพราะความโกรธฮะกัพ่อปานทะเลาะกันไหม ให้เพียรทะเลากับพ่อหาไหมทะเลาะกันไหมพ่อหาทะเลาะกันไหมให้เพียรนะอ่าบัดเล่าตายไปแล้วโอ้ยมแตรใจดีๆแต่เล่าอยู่ร่วมกันมแต่หาที่ผีเมื่อตายไปแล้วมแต่ของดีๆนี่ยมันเจ้ไม่ได้ ไปด้วยกันไปด้วยกันสซมังคีกันหัวเมียกันเนี่ยไปนี่พระนด้พ่อพ่อปานเห็นแม่เย็นใจแม่เห็นพ่อปานเย็นใจมีไหมเออไม่มีลูกไม่ได้สองคนนะั่นทำน้ำบางทํานอนทำเนียบบางมีความสุขเออบางก็มีด้วยประการฉะนี